สุขคุณยศอุจยโยตีนาบัดีจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งเป็นโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธบริษัททั้งหลายที่มาประชุมพร้อมเพียงกันในสถานที่นี้ เนื่องเนื่องด้วยวันนี้ <c oughs> ซึ่งเป็นวันเดือนสิบขึ้นสิบห้าคำ่ำตรงกับวันวันวันที่วันที่อะไรก่อนวันที่ยี่สิบห้ากันยายนต์ สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเป็นวันสลากกับพัดตามประเพณีนิยมของชาวพุทธเราในภาคอีสานแม่ภาค อ, อื่นก็มีเหมือนกันเส้นภาคใต้เขาก็มีเหมือนกันแหละ <c oughs> แต่ก่อนนั้นมีการจับสลากกันมาทุกวันนี้ ญาติ ย, ยอมผู้เป็นเจ้าภาพในการทำบุญสลากกพัตตามประเพณีนี่มีจำนวนมากแล้วพระเนนที่รับทัยทานนั้นมีปริมาณน้อยเลยไม่จำเป็นต้องทำสลากกพัดเพราะว่าอาหารการบริโภคครบชั้นอะไรก็เหลือแหละแล้วก็ทัยทานอื่นๆก็ดีเดียกว่า สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจับสลากกันที่จับสลากนั่นจะข้างพุทธเจ้านั่นพระภิกษุสองนั่นมีมากนับจำนวนห้าร้อยขึ้นไปเป็นพันอย่างนี้แล้วญาติโยมก็มีจำนวนจำกัดอย่างนี้นะเหตุนั้นท่านจึงได้ใช้นะโยบายว่าให้มีการจับสลากกัน เพราะไตยทานนั้นจะมาแบ่งให้เท่าเ่ากันไม่พ อ, อจึงตั้งกรรมการขึ้นคือว่าไตยทานไม่ใช่มีแต่เพียงแสอาหารนะมีบริขารอย่างอื่นสำหรับที่ทิกตู ส, สมเณรจะพึ่งใช้สอยเส้นบา ท, ทีวรเรียกว่าบริขารแปดนั่นแหละครัอย่างนี้เมื่ อ, เ ม, อเมื่อต่างคนต่างได้อะไรมารวมกันแล้วมัน จะมาแบ่งให้เสมอกันมันไม่พอดังนั้นกรรมการจรึงก็แต่งไตรฐานนั้นเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนออกไป <c oughs> ส่วนที่หนึ่งนั้นส่วนที่หนึ่งนั้นก็จัดให้ดีเรียกว่าได้มาตรฐานเลยแหละแล้วส่วนที่สองก็จัดให้รองลงมาส่วนที่สามก็รองลงไปโดยลําดับ อตามทายทานที่ที่รวมรวมกันอยู่นั่นน่ะประมาณดูแล้วว่าจะต้องจัดเท่านั้นเท่านั้นถึงจะทั่วถึงกันอย่างนี้ก็จัดเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไปเรียงลําดับไปพระมีห้าสิบรูปก็เป็นห้าสิบเบอร์อย่างนี้แหละวันี้เสร็จแล้วก็เอาให้พระจับกันอใครได้เบอร์ไหนก็ถวายทายทานเบอร์นั้นให้องค์นั้นไป อันนี้นับว่าเป็นความยุติธรรมดีออไม่ได้ลำเอียงเรียกว่าทําอย่างนี้แบบว่าไม่ได้ลำเอียงว่าจะเจาะจงถวายเส ร, ระเถระผู้ใหญ่นั้นอย่างนี้ไม่เอาแบบนั้นนะพระเถระถ้าจับสลากได้เบอร์ห้าสิบก็ต้องได้รับเบอร์ห้าสิบไปอย่างนั้นนั่นมันยุติธรรมดีอแต่อันนี้เราัน พยานิสำหรับทุกวันนี้นะมันเหลือเพื่อไม่จำเป็นวันนี้ก็ว่าวกเข้าสู่ออธรรมะวันระยายที่จะต้องที่แจงหรืออธิบายให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังในวันนี้นะจะพูดถึงเรื่องการสั่งสมบุญกุศลการสั่งสมบุญกุศลนี่ มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องสั่งสมเพราะอะไรมีเหตุผลเป็นมาอย่างไรนี่ควรรู้ไว้อาจารย์ภาพร่างกายทุกส่วนนี่นะที่เราได้มานี่ได้มาด้วยบุญคือแต่ชาติก่อนนันเราได้ทําบุญเราได้ให้ข้าวน้ําพอชนะอาหารเป็นทานได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานมา แล้วก็ได้สร้างเสนาสน ะ, ะถวายสงฆ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยในวัดวาอารามหรือว่าได้สร้างที่พักพาอาศัยเช่นศาลาลิมทางอย่างนี้แหละหรือว่าสร้างอื่นๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ถ้าตนไม่เป็นเจ้าภาพเอง เห็นผู้อื่นสร้างอย่างนี้เรามีปัจจัยน้อยเราก็มีเท่าไหร่ก็เอาไปโมทนากับเพื่อนอันนี้ก็เท่ากับว่าสร้างเหมือนกันนะ ว, ว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสนาสนะคือที่อยู่เทียสัยให้เป็นทานแล้วบางคนก็ได้ถวายยุกยาแก่โรคภัยไข้เจ็บแก่พระภิกษุสามเณร หรือว่าแกคนทุกข์คนจนที่เจ็บป่วยลงไม่มีญาติพี่น้องเห็นเขาแล้วสงสารก็พาไปโรงพยาบาลจ่ายเงินให้ค่าหมอให้รักษาพยาบาลอย่างนี้ก็เพาะได้ถวายทานปัจจัยทั้งสี่นี่แหละมาแต่ชาติก่อนนูน่นอันนี้สงที่ ให้ข้าวน้ำเป็นทานเกิดมาในชาตินี้ก็มีร่างกายแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อานนี้สงที่ได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานเกิดมาชาตินี้เราก็ไม่อดผ้านุ่งผ้าห่มพอมีพอหาได้อานนี้สงที่สร้างเสนาสนะ ให้เป็นทานไววในพุทธศาสนานี่ก็ดีหรือว่าสร้างที่ อ, อาศัยให้เป็นทานในสถานที่คนรสร้างที่สาธารณ่างๆารดังกล่าวมานั้นเกิดมาชาตินี้ก็ได้มีบ้านมีเรือนอยู่อาศัยมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตอนมีไร่มีนาอะไรหมดนี้แหละ อา น, นิสงส์ที่ให้ยาเป็นทานเกิดมาชาตินี้ก็ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายมีสุขภาพอนามัยดีอืา น, นิสงส์ที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหรือชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายอันนี้ทําให้คนเรานั้นมีอายุยืนยาวนานอืจนตลอดถึงอายุไข นี่แสดงถึงอา น, นิสงส์แห่งการเราทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนบุญกุศลอันนั้นนะรวมกำลังกันมาให้ผลให้เราได้เกิดมาเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นใบเป็นบ้าไม่หูหนวกตาบอดไม่แขนด้วนขาด้วนหรือว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบท้วนบริบูรณ์ดีนี่ มันควรที่จะนึกคิดให้ดีคนที่ไม่ได้ทําบุญกุศลหรือว่าทําแต่น้อยแล้วทําบาปมากอย่างนี้นะพอเกิดมาชาตินี้อวัยวะร่างกายก็ไม่ครบถ่วนต้องมีวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตาบอดมาแต่กาเนิดบงังหูหนวกมาแต่กาเนิดหรือว่าแขนด้วนคาด้วนอะไรต่างๆหมู่นี้แหละอวัยวะร่างกายนั้นไม่ครบบริบูรณ์หมายความว่าอย่างนั้นแหละ มันขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่ร้ายแรงบางคนก็ถึงกับว่าปากกรกลิ้นไก่สั้นพูดอะไรก็ไม่ได้ที่เราเรียกกันว่าเป็นใบนั่นน่ะเป็นใบนี่หมายความว่าลิ้นไก่มันสั้นมากพูดไม่ออกหรือว่าจากใบก็บางคนก็เลยกลายเป็นบ้าไปก็มีออมนี่ได้ว่ามันบาปนะ่ะมันตามมาสนองเอา ดังนั้นให้พากันมองดูตัวของเราทุกคนแบบ น, นี้นะว่าเราอัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้เราได้มาด้วยบุญทแท้เราได้ทำบุญกุศลความดีมาแต่ชาติฟังก่อนนู่นบางคนก็อาจจะได้ทำบาปอยู่บ้างทีนี้เมื่อไปเสวยผลของบาปนั้นหมดเขตของบาปมันให้ผลแล้วบุญกุศลที่ทามาแต่ก่อนนั้นมันก็นำมาเกิดเป็นคน ขึ้นมามีอวัย ว, วะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์อย่างว่านี่แหละเพราะว่าบาปมันสนองออกมาพแรงแล้วมันหมดเขตของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วอบุญกุศลที่ทํามานั้นจึงให้ผลสืบต่อวันนี่นะเราจึงมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วหากว่าเราเลือกว่า บุญบา ร, รมีของเราก็ายังน้อยอยู่จาเป็นเราจะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปนในสงสารก็เพื่อสร้างบุญบา ร, รมีเพิ่มเติมให้มากขึ้นไปโดยลำดับเมื่อผู้ใดได้ความเชื่อความเห็นอย่างว่านี้แล้วกว็ให้พยายามเว้นจากบาปกำความชั่วต่า้งสางให้ได้ในชาตินี้นะอย่าไปทาบาปถ้าหากว่าต้องการอยากให้มีชีวิต มีความสุขสม่ําเสมอไปเกิดไปชาติใดก็ดีออยากให้มีอายุยืนยาวนานอยากให้มีวันนะผิวพรรณผองใสอือยากให้มีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากให้มีพระคกาลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญากําลังโพคะทรัพย์สมบัติ ต, ต่างๆโมนี้นะ เออรือ ว, ว่าคนที่เกิดมาในโลกอันนี้นะมันก็ต้องการความสุขความเจริญดังกล่าวมานี่เหมือนกันหมดทุกคนแหละไม่มีใครปรารถนาเกิดไปชาติใดขอให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ขอให้ข้าพเจ้า เ, เาปเาเ็นคนยากคนจนขอให้ข้าพเจ้ามีแต่โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มีใครปรารถนาอย่างนั้น รักคนเดียวหรอกในโลกอันนี้นะล้วนจะปรารถนาขอให้มีอายุวันานะสุขะระละปฏิพานธนาสารสมบัติขอให้ได้นิพพานสมบัติเป็นอาวุธสารเป็นที่สุดสำหรับชาวพุทธเรานะต่างคนต่างก็มุ่งอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรามุ่งเฉยๆนี่นะเราต้องการในใจเฉย แต่แล้วเราไม่ทํากุศลคุณงามความดีให้มากไม่ตั้งออกตั้งใจสั่งสมบุญกุศลทําก็ทําสักแต่ว่าขอไปทีเดือนทีปีหนอย่างนี้นะแล้วเมื่อไรบุญกุศลมันจะเต็มสักทีขอให้คิดได้ดีอันบุญกุศลที่มันจะเต็มได้ง่ายมันจะมากขึ้นได้เพรเราทําทุกวันทุกเวลาทุกนาที ขอให้เข้าใจข้อนี้ อ, าอ้าวทำยังไงเราทำทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอ่ะก็ทำทุกวันก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ต้องพยายามท่องเอาคําไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อย อ, อ่นี่กำลังพิมพ์ตำราไหว้พระสวดมนต์ย่อ อยู่เพื่อจะอเอามาแจกในงานทําบุญร้อยวันถวายพระอาจารย์บุญหนักนี่แหละแล้วก็จะได้เอามาแจกกันอเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ตามเท่าที่ท่องได้จําได้แล้วต่อจากนั้นมาก่อนั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานถึงคุณแก้วสามประการมอมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตอนต่อจากนั้นก็ตั้งสติกําหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก ผู้ดชอ บ, บริกรรมพุโทโธก่อนนึกพุโทโธพร้อมกันแหละกับลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ที่ชอบดูแต่ลมหายใจเข้าออกก็เอาทําอย่างนี้เพราะอะไรทําเพื่อผูกจิตไว้ในลมหายใจนั้นไม่ให้จิตมันคิดสร้างออกไปข้างนอกความหมายนะ่ะเพราะว่าลมหายใจเข้าออกนี้มันอยู่แต่ภายในกายนี่หายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่ เมื่อเราเอาใจของเรานี่แหละกำหนดรู้อยู่แต่ลมเข้าลมออกเท่านี้มันก็ไม่คิดไปทางอื่นอืเมื่อเรายับยั้งใจนี้ไม่ให้คิดไปทางอื่นได้นาน ไ, นานไปนานไปนี่ใจใจนี้มันจะคลายอารมณ์ต่างๆออกไปหมดเลยเมื่ออารมณ์ต่างๆมันดับไปหมดแล้วใจมันก็รวมเป็นหนึ่งลงได้ไม่ยากลําบากเลยอตอนนั้นน่ะเมื่อใจมันคลายอารมณ์ต่างๆออกหมดแล้วมันรวมลงเองมัน เราไม่ได้ข่มมันหรอกมันลงเองมันเมื่อใจมันรวมลงไปแล้วมันจะรู้สึกเบากายเบาใจขึ้นมาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราปงหาบที่เราหาบหนักๆอยู่บนบา น, นั้นลงไว้พื้นดินแล้วก็เบาบาไปมดเบาทั้งทั้งร่างกายทั้งใจมดเลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยเมื่อเราละอารมณ์ภายนอกออกจากจิตนี้มด ลงไปแล้วก็จิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเบาทั้งกายทั้งใจเบากวัวฟุบบงพงห า, างหนักๆลงจากบาทไปด้วยนี่ลักษณะของใจที่มันเป็นสมาธินะขอให้จําเอาไว้แล้วเราทําลงไปจนให้มันถึงจุดนี้ให้ได้เมื่อทําลงไปใจมันสงบลงไปได้เป็นหนึ่งลงไปอย่างนี้แล้วก็มีสติประคองจิต ที่มันสงบเป็นหนึ่งนั้นไว้ให้ได้นานเท่าที่จะนานได้เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยได้ทำใจให้สงบอย่างนี้มาแต่ก่อนธรรมดาใจที่มันสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นสุขหลายสบายมากนี่นั่นแหละคนบางคนพอใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วเกิดตีติขึ้นขนพองสยองเก้า อิมอ่มกาอินใจอือนี่นี่ถ้าหากว่าบางคนนะใจมันสงบลงอย่างอย่างแรงอ่ะเกิดปีติขึ้นเลยขนทองสยองเข้าบางคนก็น้ําตาไหลขึ้นก็มีแล้วถ้าหากว่าผู้ใดภาวนาไปหากเกิดเช่นนั้นขึ้นมาก็อย่าไปตกใจต้องให้นึกว่านนั่นแนะ่ะคือปีติความอิ่มใจ เนื่องจากว่าใจมันห่างจากอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกมันดับไปมันไม่มารบ ก, กวนใจให้เดือดร้อนใจเลยสบายพอสบายมันก็เกิดปีติคนเรานะเป็นอย่างนั้น เ, เมื่อใจสงบอยู่ได้นานพอสมควรอะ้รอย่างนี้มันทําท่าจะถอนเมื่อมันทําท่าจะถอนอย่างนั้นเราก็เจริญปัญญาต่อเอมันชอบอยากจะคิด น้นคิดนี้อย่างนี้เราบังคับจิตไว้ไม่ให้มันคิดไปในเรื่องอื่นให้มันคิดดูธาตุสี่ขันห้านี่ว่าธาตุสี่ขันห่านี่มันเป็นอย่างไงอ่ะอ ม, มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่เพียงแต่ว่าเมื่อใจไม่สงบแล้วปัญญามไม่เกิดอย่างนี้มันรู้อยู่ขันห่านี้มันไม่เที่ยงแต่มันไม่เบื่อไม่นาย มันไม่อยากปล่อยอยากวางแต่ถ้ามันรู้มันเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วอย่างนี้มันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมามันอยากปล่อยวางมันอยากหลุดจากพ้นไปจากขันห้านี่นี่นะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความรู้สึกในใจขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเหมาเข้ามาเทียบกันเลยอืมแล้ก็รู้อยู่ขันห้ามันไม่เที่ยงก็ไม่เศ่าเยาะเย้ยาอะไรอีก ผู้ดใดคิดเชนนั้นเข้าใจผิดไปความรู้ความจำด้วยสัญญาจำด้วยวิญญาณเฉยๆนี่ไม่มีคุณค่ามหาศาลอะไรมากมายมีความรู้สึกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละรู้สึกเบื่อหน่ายในขันห้าอันนี้นะแต่ถ้าว่าไปเกิดความรู้ความเห็นแจ้งในขันห้านี้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้ว มันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นทันทีเลยเหมือนอย่างที่เร า, าก่อนที่จะพิก่อนที่จะรับประทานอาหารอย่างนี้นะเราพิจารณาก่อนว่าอาหารอันนี้นะ่ะมันถูกกับโรคหรือไม่มันถูกกับพาดขันหรือไม่อาหารนี่มันเป็นพิษหรือไม่หรือไม่เป็นพิษอย่างนี้นะ เราพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วถ้าเห็นว่าอาหารนี่มันแสแงกับโรคหรือว่ามันมีพิษอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มีผู้มาแจ้งให้ทราบว่าอาหารนี่มีพิษเจือพนอย่างนี้มันจะต้องเบื่อหน่ายทันทีเลยหายอยากหายหิวไปเลยเพราะกลัวตายเอเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะตายหรือไม่ตายก็ค้างเหลืองละ่ะอืม มันจะต้องเบื่อหายหิวจากอาหารนั่นเลยยกอาหารนั่นหนีไปเอาไปเททิ้งอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราภาวนาไปใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพ่งพิจารณาธาตุสีขันห้านี้ดูแล้วไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นของกิรังยั่งยืนเลยไม่มีมีแต่แปรผุผันวันไหลไปมาอยู่อย่างนั้นเราเห็นได้ง่ายๆอยากไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องพิจารณาละเอียดเท่าไหร่ก็รู้ได้นะร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ได้อาหารถ้าเรางดอาหารสักวันสองวันลองดูสิร่างกายอนี้มันจะเป็นยังไงอะ่ะงั้นแหละรู้ได้ทันทีเลยว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็สูบซีดลงไปแล้วมันจะไปหาทางแตกดับนั่นแหละอันนี้ที่มันเป็นอยู่ได้อยู่เดียวนี้นะที่มีกำลังวางชายอยู่เพราะอาหารหล่อเลี้ยงไว้ทางห่างนี้ นี่ต้องพิจารณาเรื่องของปัญญามันต้องต้องอย่างนี้เรื่องมันน่ะมันต้องเิดถาอุบายสอนใจของเราให้มันตรงตามความเป็นจริงอะ่ะเมื่อใจมันเห็นไปตามปัญญาในเห็นจริงอย่างนั้นแหละโอ้จริงจริงแม้ร่างกายนี้ม่ม่แน่นอนนอะ่อ่่่ออ่่าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่าาลยย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จะยย่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่ เอาอาหารให้กินกินไม่ได้กืนไม่ลงเลยออย่างนี้นะแสดงว่ า, าธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสามมิตีกันหมดแล้วมันลอยหลอลงไปแล้วมันจวนมันจวนจะแตกจะดับอยูล่ลมมัลอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาอาหารอะไรไปหลอดเลี้ยงมันลงไปมันไม่รับเลยในที่สุดมันก็หมดลมหายใจไปเอาเฉยๆนี่อออย่างนั้นเราต้องมีปัญญาหาอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้ อันนี้แหละท่านเรียกว่าวิปัสตนาญาณเมื่อพิจารณามากๆเข้าไปแล้วมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาเลยเมื่อมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมามันก็จะต้องกําหนดในใจตัวเองว่าขันห้านี้ไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนควรปล่อยควรวางอไว้ตามสภาพของมันเมื่อเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่เราจะต้องใช้มัน ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็วางใจให้สงบลงไปให้รวมลงนั่นเรียกว่าหัดวางขันห้านะเมื่อเราเห็นขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็ต้องหัดวางสิไม่วางก็ชื่อว่าถือมั่นว่าเป็นตัวตนเท่านั้นเนี่ย หัดวางเมื่อวางนี่ต้องหยุดคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารณ์ต่อไปอีกถ้ามันวางได้จริงมันมันก็จิตจิตนี้ก็รวมลงเป็นขั้งที่สองอีก อ, อย่างนี้แหละเรียก ว, ว่าเราหัดครงหัดวางสันห้านี้อา้าวเมื่อจิตรวมลงไปได้ที่แล้วได้คือว่าเราได้สั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนุต น, ตนอย่างมากมายทีเดียว อบุญกุศลอันใดจะไปมากเข้าบุญกุศลเกิดจากภาวนาสมาธินี้ไม่มีบุญกุศลอันใดจะไปมากเท่ากับว่าเจริญวิพัฒนายานให้เกิดขึ้นแล้วทําใจให้รวมลงทําใจให้รวมลงเป็นหนึ่งพร้อมด้วยญาณความรู้นี่แหละเมื่อเรารู้ว่าบุญกุศลอันประเสริฐเกิดขึ้นในดวงใจของเราแล้ว ก็ให้นึกถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายของเรานึกถึงสามีภรรยาเอบุตรตีบุตรชายหลานเลนอะไรก็ตามแะ่ะที่ล่วงรับกับขันไปสู่พราโลกเบื้องหน้านั้นอืมว่าท่านเหล่านั้นมีคุณต่อเราอย่างนั้นอย่างนั้นอท่านเหล่านั้นได้มาเกิดกับเราแล้วท่านก็หมดอายุสังขารไปหน้าที่เราจะต้อง อ, อสงเคาะสงหาท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้ได้ร่วมสุขร่วมทุกขกันมาในสงสารนี้เพราะฉะนั้นด้วยอํานาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําบําเพ็ญให้เกิดให้มีมาเริ่มแต่ให้ทานเริ่มแต่รักษาศีลเริ่มแต่ไหวพระภาวนามาจนว่าใจนี่ส ง, งบส ง, งบตรงเป็นหนึ่งพร้อมด้วยญาณความรู้แจ้งอันนี้นะ ขออุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลอันนี้ให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีมารดาบิดาภูญย่าตายายเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้ส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้แล้วขอให้ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศล น, นี้ Ừ, เมื่อได้รับอนุโมธนาแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือถ้าหากว่าข้าพเจ้าอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปหาความยากของข้าพเจ้ามีบารดาบิบดาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นยังไม่ได้รับรู้ส่วนบุญกุศลที่อุทิศไปนี้ก็ขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีฤทธิ์มีเดช ได้รู้เรื่องข้าพเจ้าอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปขอให้นําข่าวสารการกุศลอันนี้ไปแจ้งต่อญาติของข้าพเจ้าดังกล่าวมานั้นให้ได้รับรู้ด้วยแล้วก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้อนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ถ้าหากว่าเราได้อุทิศกุศลแบบดังกล่าวมานี่นะแล้วว่าเป็นการอุทิศบนกุศลอย่างแรงกล้าทีเดียวอ่อแล้วว่าได้อุทิศบนกุศลมากกว่าที่เรามาอุทิศส่วนกุศลได้ในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะอการส่วนกุศลได้ในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะเอการได้ถวายทานอย่างนี้แล้วเรา กล่าวทำอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลไปก็ก็ดีอยู่เหมือนกันหรอกแต่ว่าชาติที่ให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราภาวนาลงไปทําใจสงบแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลอันเกิดจากการภาวนานั้นให้กุศลได้ในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะ อ, อการได้ถวายทานอย่างนี้แล้วเรากล่าวทำอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลไป ก็ก็ดีอยู่เหมือนกันหรอกแต่ว่าชาติที่ให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราภาวนาลงไปทําใจสงบแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลอันเกิดจากการภาวนานั้นให้แกใ่ในการได้ถวายทานไปอย่างนี้นะอการได้ถวายทานอย่างนี้แล้วเรากล่าวทําอุทิศส่วนบุญกุศลไปก็ก็ดีอยู่เหมือนกันหรอก แต่ว่าถ้าติที่ให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก่อ น, อนเพราะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆ<ม>อาธิธรรมคาสอนของพระเจ้านั่นพระองค์เจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนจําเอาไว้เฉยๆนะใหท้ทรงสอนให้จําเอาไว้แล้วลงมือปฏิบัติตามเช่นอย่างให้ทานอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ลงมือทํามันจะให้ทานได้ยังไงล่ะไม่ลงมือขอนขวายหาวัตถุทายทานนะะเอาอะไรมาให้ทานนะ นั่นเนี่ยก็ต้องลงมือทำเริ่มตั้งแต่ทำนาทำสวนเป็นต้นไปนู่นนะหาเงินหาทองนู่น อ, อันบนนั้นก็ชื่อว่าได้ทาบุญเหมือนกันนะเราได้ทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดบุญนะถ้าไม่มีวัตถุสิ่งของดังกล่าวมานั้นเอาอะไรแล้วมาให้ทานนะดังนั้นก็ขอให้นึกว่าเราทำนาทำสวนเป็นต้นดังกล่าวมานั้นก็ให้อธิษฐานในใจ เราทำนาะทำสวนเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ตัวผู้เดียวเท่านั้นเลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วก็จำแนกแกกทานไปแก่บคุคคลที่ควรให้คอนบริจาคทานไปด้วยนี่เราตั้งในใจอย่างนี้ด้วยความสัตว์ความจริงใจนี่ขอเพื่อทันทันยาหาหน้งหลายที่ก็าเจ้าปลูกลงไปนี่จงงอกงามเจริญขึ้นอย่ามีภัยที่บัตรอันตรายต่าง ลองกระทำดูนะผูดใดอ่ะลงมืออธิษฐานาจะปลูกข้าวก็ดีปลูกพืชพันธุ์ยานารอื่นๆก็ดีก็ให้อธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วจึงลงมือปลูกไปบางทีอาจจะไม่มีแมลงมารบกวนก็ได้นะอันโมนี้นะเราต้องเข้าใจไว้การทำบุญนี่นะเรียกว่าทำความดีก็ว่าได้นั่นแหละเนปีอย่างนั้น การรักษาศีลอย่างนี้นะก็ต้องตั้งเจตนาลงจริงๆจึงเป็นศีลได้ถ้าไม่ตั้งเจตนาลงว่าจะวิวรัตจะวิรัตละเวน้นข้อห้ามนั้นๆนั่นจะไม่ล่วงเกินอย่างนี้นะมันจะเป็นศีลไม่ได้เลยอดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจคําว่ารักษาศีลก็คือรักษาเจตนาที่เราตั้งใจลงมาตั้งแต่ตอนสมทานศีลมาโดยลําดับนั่นแหละ การต้องกานศีลเนี่ยหมายความว่าเราตั้งใจว่าจะวีรัตะเว้นออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจลงอย่างนั้นมาแต่เบื้องต้นออกก็ในตอนต่อไปก็ตั้งใจอย่างนั้นเรื่อยไปเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาศีลก็เกี่ยวแก่การกระทําทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ตั้งเจตนาขึ้นอย่างว่าอนี้เราไม่เป็นศีล น, นะขอให้เข้าใจภาวนาอย่างนี้ก็เกี่ยวแก่การกระทํา ถ้าผู้ใดเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นแก่ความขี้เกียจขี้คันแล้วภาวนาไม่ได้เลยเพราะว่ามานคือกิเลสนี่นะมันจะสกัดกั้นไว้พอ น, นึกว่าจะเข้าที่ไหว้พระภาวนาที่บันนี้พอแต่เมื่อเวลายังไม่นึกไม่คิดว่าจะไหว้พระภาวนานั่นไม่เป็นอาการแบบนั้นน่ะยังปกติดีอยู่นะพอนึกว่าจะไหว้พระภาวนาแล้วเอาเลยอาการขี้เกียจขี้คัน อ่อนเพียงง่วงเหงาเหงานอนอะไรต่ออะไรประดังประเดเข้ามาหมดเลยนี่ต้องให้เข้าใจว่านั่นคือมานไอแ ก, ก่กิเลสจะไปเชื่อมันสู้มันไปสู้มันไปสู้ไปสู้มาไม่ถอยมันหายไปอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจอการที่เราได้มาทำบุญกุศลกันนี่เมื่อสรุปใจความแล้ว มีความมุ่งหวังอยู่สองอย่างคือทําบุญกุศลเพื่อตอนอย่างหนึ่งแล้วทาบุญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดถึงสัพพัตว์โลกทั้งหลายที่ยังคล่องอยู่ในวัฏ ส, ะสงสารอันนี้เราก็เผื่อแผ่ไปด้วยนี่เพราะฉะนั้นการทําบุญกุศลในวันนี้นะก็เชื่อได้มีจุดมุ่งหมายอยู่สองประการอย่างนี้ เมื่อมีความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันน้อมบุญกุศลที่เราทํานี้เข้าไว้ในใจของตนให้มันได้เพื่อเราน้อมบุญกุศลที่เราทํามานี้ไว้ในใจได้อย่างมั่นคงแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลนั้นเนี่ยให้แก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตนดังกล่าวมานั้นก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าโดยไม่ผิดพลาด ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการัชนี